จิตใจที่มันมัวหมองอยู่ด้วยอุปกิเลสอย่างใดก็มัวหมองอยู่นั้นเนี่ยมันจะไม่ได้ผ่องใสขึ้นมาเลยเพราะว่าผู้นั้นไม่ชำระมันเลยเนีย่ปล่อยให้มันมัวหมองปล่อยให้กิเลสมันครอบงาจิตอยู่อย่างให้มันหนาขึ้นหนาขึ้นไปเรื่อยๆกิเลสหนาขึ้นไปเท่าไหร่ยิ่งเกียรข้ารั้นทำความดีวะนี่นะ กีแรงนี่มันกีดกันจิตใจคนเราไว้ไม่ให้ชอบทําความดีมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะ่ะแทนท่ามันน้อมไปทางชั่วนั่นขอใจมากขายันมากมันน้อมไปในทางความสนุกสุขสนานชั่วค้างชั่วคาวอย่างนี้นะแหมเต็มใจหลายพอใจมากทีเดียวอะ่ะอ่าไม่เจ็บไม่ไม่อ้างว่าเจ็บโน่นผลดนี้อะไรละ เมื่อใจมันคลึกขนองขึ้นมาแล้วนะ่ลืมเจ็บลืมปวดไปเลยบันนี้เพราะว่ามีผู้ตักเตือนให้สำมรวมจิตให้น้อมจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายในเอาเกิดเจ็บโน่นปวดนี่ขึ้นมาแล้วไม่ไหวเลย อ, ะอ่ะอย่างนี้นะคือมันมนรู้ตัวนี่เรื่องมันอะ่ะ มันทวนกระแสจิตเข้ามาตั้งอยู่ภายใ น, นแล้วมันมาสัมผัสกับร่างกายอันนี้เข้ามันถึงได้รู้ว่าร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงเลยวะนี้มันจึงแปรปวนมันทนทุกข์ทนได้ยากลําบากมันรู้แล้ววะนี้นะจิตนะแต่รู้เฉยๆวะนี้ไม่มีปัญญาจะรู้เท่าก็เลยวุ่นวายสู้ไม่ไหวพอสู้เวทนาไม่ไหว ก็เลยหยุดเสียเลยปล่อยจิตให้ไหลไปตามกระแสของโลกภายนอกนู่นมันสบายดีสบายดีกว่ามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายอันไม่เที่ยงอยู่ภายในนี้คนส่วนมากเป็อย่างนั้นเนี่ยชอบจะปล่อยจิตของตนให้ไหลไปตามกระแสของโลกยินดีบ้างยินร้ายบ้างเออเพลิดเพลินไป ยินดีอย่างยิ่งบ้างที่ท่านเรียกว่าโสมณัสสะเวทนาน่ะ น, นะแปลว่าความยินดีมากยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนี่นะยินดีหลายอันความยินดีในถ้ามันมากขึ้นไปแล้วท่านเรียกว่าโสมณัสสะเวทนานี่เพิ่งเข้าใจ ถ้าความยินดีพอประมาณนี่ท่านเรียกว่าสุขเวทนานั่นแหละถ้าความยินร้ายเกิดขึ้นอย่างรุนแรงท่านก็เรียกว่าโทมนัสเวทนานี่มันเกิดโทมนัสความคับแคนใจนั่นขึ้นมานั่นแหละ ถ้าหากว่ามีแต่ร่างกายแปรปวนไปทาตามธรรมดาโรคภัยเบียดเบียนธรรมดานี่ท่านเรียกว่าทุกขเวทนาเฉยๆถ้ า, าว่าใจไม่รู้เท่าทุกในร่างกายนี่เกิดโทมนัสขับแค้นขึ้นมาในใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าโทมนัสสะเวทนา <ๆ S 1> หรือว่า คนอื่นเขาดูถูกดูหมินยกโทษติเตียนขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้เท่าไอ้คานินทาว่าร้ายคนอื่นเขา้าก็น้อยเนื้อตำใจโทมนัสครับแค้นใจว่าเขาคอมเพงเราเขาดูถูกดูหมินเราไอ้ความโทมนัสครับแค้นอย่างนี้เมื่อเมื่อไม่ละมันแล้วนานเขาก็กลายเป็นพยาบาทไปแล้วแบบนี้อเป็นอย่างนั้น ในวางแผนตอบโต้กันไปฮะมันสายของมันไปอย่างนั้นเนี่ยเรื่องความทุกข์นี่นะมันเมื่อบคุคคลไปรู้เท่าแล้วมันก็หมุนไปทางบาปนั่นแหละทางเบียดเบียนนะไม่ยอมให้เอาภัยแก่บคุคคลอื่นที่มาล่วงเกินตอนไม่ยอมเลยไม่ยอมให้เอาภัยอ่ะมีได้ทางตอบโต้ล้างผลาญกันลงไปอย่างนั้นเนี่ย มันก็เลยเป็นการสร้างกำชั่วเวีชั่วใส่ตัวล่าไปนี่แหละบุคคลผู้ไม่รู้เท่าทุกนะผู้วันไหวไปด้วยทุกขเวทนาต่างๆก็หมายถึงดวงจิตดวงนี้แหละมันไม่รู้เท่าทุกขเวทนาต่างๆหมดนี่มันเลยกลายเป็นบาปอคุศลขึ้นมาจิตนี่เนี่ยก็เลยต้องใช้กายทําบาปใช่วาจาพูดในสิ่งที่ เป็นบาปเป็นโทษเป็นทุกข์แก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นไปนี่โมนีเราต้องพิารณาให้รู้เท่าทุกข์ทั้งพร้อมทั้งเหตุทั้งปัจจัยอย่างนี้แหละผู้ผู้รู้แจ้งในทุกอย่างนี้แหละมันจึงไม่วันไวต่อทุกข์ได้มันจึงละเหตุแห่งทุกข์ได้เรื่องมัน เมื่อไม่เมื่อการพิจารณาทุกไม่รู้ทั้งเหตุทั้งปัจจัยของมันด้วยเนี่ยมันก็ละเหตุมันแห่งทุกข์ไม่ได้เลยนะอย่างยกตัวอย่างให้ฟังมานั่นเนะี่ยอย่างโทมณสวาเทนาอย่างนี้ถ้าบุคคลใดระงับความคับแค้นใจนั้นไม่ไม่ลงแล้วก็เป็นบาปอากศุศลขึ้นมาละจิตนั้น น, ะนี่เป็นอย่างนั้นโสมณสวาเทนาก็เหมือนกันนะ เมื่อปล่อยให้จิตยินดีในอารมณ์นั้นนั้นมากเข้าไปเข้าไปแล้วก็เอาล่ะเป็นเหตุให้ทําบาปได้แล้วบันนี้ทําบาปด้วยความยินดีอย่างยิ่งนั่นแหละออสมมุติว่าไปยินดีในรูปใดรูปหนึ่ง อ, อถ้าผู้ชายผู้กันอย่างจงแจ้งก็ว่าไปยินดีในรูปผู้หญิงที่ตนหลงสําคัญว่าสวยงามมากนั่นนะ อ, อ บ้านี้เอ้ารูปนั้นไม่ใช่ว่าจะมีแต่ตนไปพอใจไปยินดีคนอื่นเขาก็ยินดีเหมือนกันที่นี่ก็เลยแย่งกันเนี่ยนั่นแหละก็วางแผนประหัดประหารกันลง น, นี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าโสมนสะเวทนาความสเสวยอารมณ์อันเกิดจากความยินดีอย่างยิ่งอันนี้มันก็ขอให้ทําบาปทํากรรมทําเวรใส่ตนเองมากมายเหมือนกันนะ <minutes> เพราะฉะนั้นเวทนานี่มันจึงว่าควรพิจารณาให้รู้บันนี้เวทนามันเกิดมาจากอะไรอะไรเป็นปัจจัยก็ผัดสะแลเป็นปัจจัยให้บังเกิดเวทนาในปฏิจจสมุปบาทนะเป็นอย่งนันเราต้องรู้มันพัดสะก็เช่นตา ไปเห็นรูปเข้าไปสัมผัสกับรูปเข้าอย่างนี้นะหูไปสัมผัสกับเสียงเข้าไปจมูกสัมผัสกับกลิ่นลิ้นสัมผัสกับรสกายไปสัมผัสกับเย็นร้อนอ่ อ, อนแข็งอะไรมือนี้นะแล้วมันก็เกิดโสมนสสะเวทนาเกิดโทมนสสะเวทนาขึ้นมาดังกล่าวมาแล้วนั่นเนี่นนะ ถ้ามันมารู้เท่าพัทธะนี่เสียว่าพัทธะนี่มันก็ไม่เที่ยงนะเช่นตาไปเห็นรูปอย่างนี้นะมันก็ไม่เที่ยงตานี่ก็ไม่เที่ยงรูปนั้นก็ไม่เที่ยงสัญญาที่ไปจํารูปนั้นก็ไม่เที่ยงวิญญาณของตาที่รู้จักรูปอันนั้นมันก็ไม่เที่ยงเมื่อไม่เที่ยงแนละ้วมันก็แปรปวนแตกดับไปไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรที่น่ายินดีพอใจ เนี่ยเรียกว่ามันกําหนดรู้รู้ความจริงของสิ่งที่เห็นด้วยตานะั่นนะแล้วก็รู้ตาที่มองเห็นรูปอันนั้นตามสภาพความจริงเลยอย่างนี้เมื่อมันรู้ตามสภาพความจริงอย่างนี้มันก็ไม่เกิดโสมนัตโทมนัตเวทนาขึ้นมาอมันเป็นอย่างนั้นอันหมูนี้นะเราต้องรู้ผู้ปฏิบัติธรรมนะ นี่แหละเหตุปัจจัยแห่งชีวิตนะยกมาอธิบายพินบางตอนเท่านั้นแหละ mm hmm. มันก็พอมองเห็นได้แล้ว mm hmm. ถ้ายกมาอธิบายมากมันก็ฟั่นเฝือกันไปนี่ให้เราภาวนาเราเจริญวิปัสสนา mm hmm. เข้าไปก็มาเพ่งดูพัฒสะความกระทบความถูกต้อง อายตนาภายในกับอายตนาภายนอกกระทบกันเข้านี่นแล้วก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้นท่านก็เรียกว่าผัสสะนี่นะนั่นคำที่จะได้เรียกว่าผัสสะนั่นก็นี่แหละอาศัยอายตนาภายในมีตาเป็นต้นอาศัยอายตนาภายนอกมีรูปเป็นต้น กระทบกันเกิดความรู้สึกขึ้นมาที่ท่านเรียกว่าจักปุวิญญาณเนี่ยรวมธรรมสามประการนี้เข้าด้วยกันเรียกว่าผัสสะฮะนี่ต้องต้องเพ่งพิจารณาดูให้รู้นี่แหละผัสสะอันนี้มันก็ไม่เที่ยงเพราะ ตากับรูปไม่เที่ยงแล้วผัสสะนี่มันจะเที่ยงมาแต่ไหนนี่ก็สอนใจเตือนใจตัวเองเข้าไปให้มันรู้ชัดตามเป็นจริงในสิ่งเหล่านี้เมื่อมันรู้ชัดลงไปแล้วมันจิตใจมันก็ไม่หวนไหวไปตามเวทนาที่มันเกิดขึ้นจากผัสสะนั่นนะั้นนั้นอ่ะถ้ามันได้ สัมผัสกับอารมณ์ที่น่ายินดีมันก็มายินดีไปตามหมายพราะว่ า, างั้นเมื่อมันได้สัมผัสกับอารมณ์ที่น่ายินร้ายมันก็ไม่ยินร้ายไปตามนี่เรียกว่ามันรู้เท่ามันรู้แจ้งมันเป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่รู้แจ้งเหตุปัจจัยของชีวิตตอนนี้นะมันก็หลงยินดีหลงยินร้ายไปตามอยู่อย่างนั้นแหละ เมื่อสำมรวมละมันไม่ได้มันก็เลยเกิดกิเลสอย่างหยาบขึ้นมาเลย่มันไปอย่างนั้นเรื่องมันะดังนั้นให้พึ่งพากันเพ่งพิจารณาดูให้ดีไม่ไม่ใช่ว่าเป็นของลี้ลับอะไรเนี่ยแต่ว่ามันต้องรู้ด้วยใจแล้วนะเมื่อเราทำใจให้สงบปลอดจากอารมณ์ ภายนอกต่งตางๆได้แล้วเชนนี้นก็มาเพ่งดูแต่เหตุปัจจัยแห่งชีวิตอันเป็นส่วนภายในอยู่นี่นั่นแหละมันถึงเห็นแจ้งได้ตามเป็นจริงดังกล่าวมานั้นนะเมื่อรู้เท่าเวทนาต่างๆเหล่านั้นแล้วตัณหามันก็เกิดขึ้นไม่ได้นี่ ตัญหาที่ความทะเยอทะยานอยากไปตามอารมณ์ที่น่าใคล้าน่าพอใจต่างๆพวกนั้นนะมันมันก็ไม่เกิดแบบนี้เพราะมันเห็นแจ้งแล้วว่าอารมณ์ที่น่ายินดีเหล่านั้นมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปอจะไปอยากได้มันทำไม่อะไปอยากได้ของไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์อยู่วันยังข้ามแล้วพอได้มาแล้วมันก็แปรปวนไปไม่คงที่อย่างนี้นะ จะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรแล้วแต่ความประสงค์ของจิตเนี่ยได้อนไดมาแล้วก็อยากจะให้มันยั่งยืนอยู่นั่นยกตัวอย่างเช่นคนเราได้ผัวได้เมียมาแล้วนะทีแรกก็รูปทั้งสองนั่นน่ะกรู้สึกว่าเปล่งปั่งสวยสดงดงามดีทั้งนั้นแหละทั้งชายทั้งหญิง ทำให้เกิดความชื่นชมยินดีด้วยกันยังออกรถออกชาติเต็มที่เลยทีเดียวขั้นเมื่อนานไปนั้นไปรูปนั่นก็แปรปวนไปแล้วที่เคยเปล่งปังมาตะก่อนนั่นก็สูบซีดลงไปที่เช่นหนังนี่เคยตึงตังมาตะก่อนเคยเคร้งมาตะก่อนก็ย่อนยานไปผิวพัน วันณะของร่างกายอันนี้เคยสดใสมาแต่ก่อนก็คล่ําคล่าไปผิวหนังอันนี้ก็ตกกระไปดำดำดังๆังไปมูนี่อ่ะเอาแล้ววันนี้เกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาแล้วพอรูปต่างๆ่เหล่านั้นมันแปรสภาพไปแล้วแทนที่มันจะยินดีอยู่เหมือนเดิมจะไม่แล้วเบื่อแล้วอันนี้แหละสาเหตุที่ ผู้คลองเรือนผู้คลองรักทั้งหลายเนะี่ะมันจะทําตนเป็นคนหลายจิตหลายใจประพฤติร่วงศินข้อที่สามการเมศสงวิชาจารย์นะได้ก็เพราะเหตุนี้แหละเมื่อรูปที่ตนครอบครองมาเนี่มันค่ําค่าลงไปแล้วไปเห็นรูปอื่นที่ยังเปล่งปังอยู่วนี้เอาละเกิดอยากได้ขึ้นมา เ, าเมื่อได้รูปนั่นมาแล้ว ชมเชยไปหน่อยหนึ่งมา่้ำคราไปแล้วไปะเห็นรูปอื่นสวยงามกว่านั้นเปล่งปังกว่านั้นผเกิดอยากได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านัิตันหาสมานัธิแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีมันเป็นความจริงทีเดียวถ้าบุคคลไม่ ทวนกระแสจิตของตนเลยเนี่ยปล่อยให้มันอยากไปหน้าเดียวนี่มันอยากไปไม่มีสิ้นสุดจริงๆไะจิตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเหตุที่มันจะยับยับย้งความอยากนั่นได้ก็เพราะมันทวนกระแสจิตเข้ามาภายในให้มาสงบนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้แล้วมันจึงมามองเห็นอัตภาพร่างกายอันที่ดวงขิดอาศัยอยู่นี่เห็นไม่เห็นไม่มีอะไรสวยงามตา อันน่ายินดีพอใจเลยบ้านี้ฉันใดรูปภายนอกนูน่นมันก็เหมือนกันกับรูปกายภายในที่ตนอาศัยอยู่นี่มันจึงคลายความอยากลงได้บ้านี อ, อมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายังตรัสสอนให้เจริญวิปัสสนาเนี่ยโดยอนุโลมปฏิโลมมให้พึงเข้าใจ โดยอนุโลมก็คือพิจารณาไปโดยลําดับอย่างที่ว่านั่นแหละเริ่มตั้งแต่เกิดมาโน่นเละจนแก่จนเจ็บจนตายลงไปไฟเผาเหลือแต่เท่ากับกระดูกนั่นเรียว่าเราพิจารณาไปโดยลําดับท่านเรียกว่าอนุโลมบันที้ต่อจากนั้นก็ถอยกลับมามาถามจิตนี่ดู ว่าร่างกายนี่มันเป็นสภาพอย่างนั้นจริงหรือไม่นี่จิตก็จะต้องตอบว่าจริงรูปร่างกายนี่สุดท้ายมันก็เป็นอย่างนั้นแหละถึงเวลานี่มันยังจะไม่เป็นอย่างนั้นต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นแน่นอนอเมื่อทวนกระแสจิตเข้ามามาถามตัวเองตัวเอ ง, ต, เองตอบตัวเองให้มันเข้าถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้น ใจิตใจมันเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านั้นตามเป็นจริงเนนั่นแหละมันถึงจะคลายความอยากความปรารถนาใหเบาบางออกไปจากจิตใจได้ถ้าเป็นผู้คลองเลือนอย่างนี้ถึงแม้จะคลายความอยากคือตัณหาในใจนั้นออกไม่ไม่ได้หมดแต่มันก็ไม่ประพฤติล่วงศิลข้อที่สาม มันก็ยินดีพอใจอยู่แต่ในคู่ครองของตนเท่านั้นนะไม่ได้ทำบาปเพราะกามมตัญหาอันนั้ น, นถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็จะไม่ล่วงซีขาบทวินัยอันเกี่ยวกับราคะตัญหาอันนั้ น, นถ้าว่าผู้ใดไม่ยับยั้งตัญหาความอยากราคะความกาหนัดในใจนี้ได้แนละ้ว แม่เป็นนักบวชก็ร่วงทิศข้าบดวินัยน้อยใหญ่ได้เลยร่วงอาบัติอย่างร้ายแรงได้ซ้ำเป็นไร อ, ะอ่ะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเครหัข่กระร่วงศิลหาได้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปยินดีกับราคาตัณหานี่โดยส่วนเดียว เราต้องพิจารณาให้เห็นคุณเห็นโทษของมันพร้อมกันไปเลยคุณของมันก็มีถ้าพูดถึงคุณนะ่ะก็เพราะความยินดีพอใจในความเป็นมนุษย์นี่แหละก็จึงค้นคว้าห า, เ, าเหตุหาปัจจัยของความเป็นมนุษย์ว่าการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ เกิดมาด้วยเหตุใดปัจจัยอันใดพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้อย่างไรนี่เมื่อเพ่งพิจารณาไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเราก็รู้ได้รู้ได้เพราะการสั่งสมบุญทําความดีไม่ใช้กายวาจาใจอันนี้ไปทําความชั่วเหตุนั้นบุญกุศลความดีที่ทํานั้นจึงไปตกแต่งให้เกิดมาเป็นมนุษย์ขึ้นมา จึงได้มาสร้างกุศลคุณงามความดีนี้ถ้าหากว่าจิตไม่ยินดีในความเป็นมนุษย์นี่ก่อนแล้วมันไปยินดีในกิเลสตัณหาบาปรธรรมนูน่นมากต่อมากอย่างนี้แล้วก็ความที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยากเต็มทีแล้วบาปกรรมมันก็ฉุดคล้าไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นจน้น อยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้ว่านานเท่าไหร่นะถึงจะพ้นมาได้พ้นจากนารกจากเปรตอสุรกายสาัตว์เดรัจฉานมาแล้วมาเกิดเป็นคนก็มาเป็นคนมีอัยะร่างกายไม่สมประกอบอยู่นั่นก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกี่ภพมาเป็นคนโง่เง่ า, งาไม่รู้ไม่ฉลาดอะไรอยู่นั่นก็ไม่รู้ว่ากี่ชาติกลัวว่าเศษบาปที่มันติดตามมานั่นจะหมดเนะี่ย ก็ไม่รู้ว่านานเท่าไรอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นะดังนั้นให้พากันกลัวต่อบาปต่อความชั่วเหล่านี้นะเมื่อพระไดสะสมไว้แล้วหากละมันไม่ได้แล้วให้มันติดตามให้ผลไปแล้วมันก็เหมือนอย่างโรค อ, อันร้ายแรงที่เกิดขึ้นในร่างกายของคนเราเนี่ยเช่นวัณนนโรคโรคปอดอย่างนี้หรือมะเร็งอย่นี้ หรือโรคเบาหวานโมเนียถ้ามันได้เกิดขึ้นในร่างกายอันนี้แล้วเอาจะรักษาอย่างไรก็รักษาไปเถอะทางที่จะหายสนิทนั้นยากเต็มทีเลยครเป็นอย่างนั้นอันนี้เลยก็ต้องมีอุบายปัญญาสอนจิตใจของตนเข้าไปอย่างนี้คนเรานะ่ะ อย่าไปกลัวแต่ว่ากิเลสมันจะแห้งไปจากตนละตนจะไม่มีความสุขสนุกสนานในโลกนี่ก็เขานี่บางคนมันคิดอย่างนั้นจริงๆริงไงอันใดก็จะสอนให้ละให้ละไม่ให้อยากได้อะไรเลยอย่างเนี้ยแล้วมันจะมีความสุขมาจากไหนคนเราเมื่อไม่เบีไม่อยากได้อะไรแล้วนั่นเดียว่าความเห็นอันนั้นมันตื่นเต็มทีเลยความเห็นอันนั้นปราศจากปัญญา แล้วก็ไม่เคารพตอบคําสอนของพระพุทธเจ้าข้อที่ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะเดี๋ยนะวพูดง่ายๆว่าความทะเยอะทะยานอยากในอารมณ์ต่างๆอย่งนี้เนะี่ยมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่น้อมออกมาพิจารณาเลยคนเรานะ่ะเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นนะจึงว่าชอบกับความอยากคือตัณหาอันนี้อยู่อย่างนั้นไม่ยอมเบื่อไม่ยอมหนัหน่ายมันเลย ไม่คิดที่จะละจะบรรเทาให้มันเบาบางไปอยากขีดใจเลยบางคนนะน่าทุเรศจริงๆน ะ, ะ, ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็จะต้องได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปตามอำนาจแห่งตันหานั่นถึงจะได้พบกับความสุขในยากเต็มทีแล้วผู้ใดตกเป็นทาสแห่งตันหาแล้วตันหามันก็จะพาให้ไปทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นอย่างนี้จะไม่หยุดลงได้เลย ก็เรียกว่าเกิดมาชาติใดก็มาสร้างตั้งแต่บาปใส่ตนล่าไปอยู่นั้นเน่ยอ้าวตายไปบาปกรรมมันผล น, นาไปสู่นรกเปรดอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพอหมดกรรมหมดเวรนั้นมาเกิดเป็นมนุษย์เข้ามาอีกเกิดมาหลงทำบาปของเก่านั้นแหละอีกอย่างนี้าตายแล้วพอไปทนทุกข์ทรมานอยู่ของที่สถานที่เก่านั้นแหละ นี่ลองคิดดูให้ดีวั ต, ตะโตโลโก้เป็นว่าโลกอันนี้มันหมุนเป็นวงกลมไปเลยอะ่ะเมื่อบุคคลไม่มีปัญญาแล้วหาทางออกจากทุกนี้ไม่ได้เลยบุคคลใดไม่แสวงหาวิชาความรู้ในธรรมคำสอนของพระเจ้านี่แสวงหาแต่ความรู้ในทางโลกเท่านั้นไม่พอไม่ความรู้ในทางโลก ไม่มีทางที่จะมาสอนจิตไทละตันหานี่ได้เลยมีแต่ความรู้ในทางธรรมนี่แหละจะมาสอนจิตของคนเรานี่ให้ละตัณหาคือความอยากละอวิชชาคือความไม่รู้จากธรรมของจริงดังกล่าวมานี่ได้มีแต่ความรู้ในทางธรรมนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ปฏิ ญ, ญาณตนว่าเป็นพุทธมามะกะ รรมาามะกะสังฆะ ม, มามะกะแปลว่าผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกแล้วไม่ควรที่จะเบื่อหน่ายต่อความรู้ในทางธรรมควรสนใจศึกษาเราเรียนท่องบนจดจำเอาให้ได้แล้วควรยินดีในการสดับตรับฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งนักปราชญ์ทั้งหลายท่านนำมาแสดงสู่ฟังเมื่อบุคคลเรามีความรู้ทั้งทางโลกด้วยทั้งทางธรรมด้วยประกอบกันเข้าอย่างนี้นะมันก็เป็นเหตุให้นำชีวิตอันนี้ไปอย่างราบรื่นเรียกว่าไม่ได้นำชีวิตอันนี้ไปสู่ความทุกข์ ความยากความลำบากเลยเนียกว่าเป็นผู้ดำเนินชีวิตไปสายกลางบบนี้น ะ, ะไม่เอียงไปข้างยินดีไม่เอียงไปข้างยินร้ายเนี่ยเรียกว่าเมื่อมีความรู้ในทางโลกหมายความว่าผู้ครองเลือนก็สามารถทำมาหารเรี่งชีพโดยทาง ชอบด้วยศีลธรรมและกฎหมายได้อ่าอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีความรู้ในทางโลกไอมีความรู้ในทางโลกแล้วไปใช้ความรู้นั้นไปทำชั่วไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนั่นแหละความรู้ในทางโลกนั้นมันก็เอาตัวรอดจากทุกข์ไปไม่ได้เลยรู้แบบนั้นนะท่านเรียกว่าทุกวิชโนปราภโว ความรู้ชั่วเป็นทางแห่งความฉิบหายเป็นทางความเสื่อมแห่งชีวิตเป็น อ, อย่างนั้นสุวิชานุภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ อ, อย่างนั้น่หมายความว่ารู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นคุณเป็นโทษเป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ แล้วสิ่งใดมีโทษเป็นบาปก็ละสิ่งนั้นเสียสิ่งใดเป็นคุณเป็นประโยชน์ก็เพียรพยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นอันนี้ท่านเรียกว่าสุวิชาโนุแปลว่าผู้มีความรู้ดีรู้ทั้งฝ่ายชั่วรู้ทั้งฝ่ายดีแล้วก็ทิ้งฝ่ายชั่วเสียวเอาแต่ฝ่ายดีก็ย่อมเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแล อย่างผู้ครองเลื่อนก็เป็นผู้เจริญด้วยลาบยศสรรเสริญลนความสุขกายสบายใจเมื่อมีความรู้ในทางธรรมประกอบเข้าก็เป็นเหตุให้ใช้กายวาจาใจนี้สั่งสมบุญกุศลคุณงามความดีต่างๆให้เต็มความสามารถของตนในชีวิตหนึ่งๆนี้นะเมื่ออินทรีย์บรมีมันแก่กล้าเข้าไปก็สามารถที่จะ รู้แจ้งเห็นจริงในชีวิตนี้ตามความเป็นจริงสามารถที่จะละตันหาอาวิชชาอันเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์นั้นได้ถ้าละไม่หมดก็เรียกว่าละให้มันเบาบางออกไปได้มากๆทีเดียวไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละในพุทธศาสนานี่เมื่อบุคคลเข้ามาศึกษาเ่าเรียนมาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า เข้าไปโดยความไม่ประมาทแล้วย่อมสามารถที่จะนำชีวิตจิตใจของตว น, นี้ให้ผ่านพ้นไปจากวัฏฏะวนดังกล่าวมานั่นได้เนืยอว่ารู้จักหนทางออกจากความทุกข์อันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปไม่รู้จักจบจักสิ้นนี้ได้หมายความว่าอย่างนั้นทางออกคือทางมัติมาปฏิปทาทางสายกลาง การที่เราใช้ปัญญาสอนจิตให้มันรู้แจ้งทั้งส่วนดีส่วนชั่วรู้แจ้งทั้งที่ส่วนที่ไม่สวยไม่งามและรู้แจ้งในส่วนที่มันสวยมันงามอันเป็นเหตุให้จิตมันติดมันคล้องอยู่ในโลกนี่เนะยนั่นจะเรียกว่า